ตอนที่68ดเอ่ยถึงเรื่องเศร้าหลิวเคอเคอนิ่งเงียบแม่หลิวเห็นปฏิกิริยาของนางก็รู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นไงข้าดาถูกจริงๆด้วยก่อนแต่งงานไม่มีเงินก็ช่างเถอะแต่หลังแต่งงานทั้งคู่ก็ยังไม่มีเงินติดตัวเหมือนเดิมท้องก็ท้องแล้วในมือกลับไม่มีเงินสักแดงเดียวหรือเขาหวังจะให้บ้านเดิมของเจ้าควักเงินให้พวกเขาส่งเจ้าไปคลอดลูกแม่หลิวโกรธจัดอย่าหวังเลยสินสอดข้าไม่เอาสักบาทก็ช่างมันเถอะ แต่เจ้าจะคลอดลูกให้บ้านเขาแล้วยังจะมาให้ข้าควักเงินอีกรอฝันหวานไปเถอะเจ้ารู้ไหมว่าถ้าก่อนคลอดไม่มีเงินติดตัวเลยชีวิตเจ้าก็เหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้แม่หลิวอยากจะเขกหัวลูกสาวดูจริงๆว่าข้างในบรญจุอะไรไว้อุตสาห์เรียนจบมหาวิทยาลัยเป็นคนมีความรู้แท้ๆทำไมเรื่องง่ายๆแค่นี้ถึงไม่เข้าใจโดนผู้ชายทาให้หน้ามืดตาโ ม, มไปหมดแล้วข้าถามเจ้าหน่อยเจ้าคิดจะคลอดลูกที่บ้านหรือไง แน่นอนว่าไม่ค่ลอดที่บ้านได้ยังไงกันมันอันตรายนะหลิวเครอรเครอตอบโดยไม่ลังเลก็นั่นไงเจ้ารู้ว่าการคลอดลูกมันอันตรายต้องไปโรงพยาบาลแล้วเงินละ่ะหรือเจ้าหวังจะคลอดลูกก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินทีหลังมันมีที่ไหนกันโรงพยาบาลมีไว้รักษาคนก็จริงแต่เขาไม่ใช่โรงทานนะแม่หลิวตกขาตัวเองฉาดใหญ่พลางตะเบงเสียงหลิวเครอรเครอว์เตามหมดลงลูกสาวโง่ของข้า เขาว่าเจ้ามันก็แค่พวกตกมือข้างเดียวไม่ดังเขาไม่ได้เห็นเจ้าสําคัญอะไรขนาดนั้นหรอกมีแต่เจ้าที่วิ่งไล่ตามเขาเองหลิวเคอเคอร์สูดลมหายใจเข้าลึกแม่สิ่งที่แม่พูดมาทั้งหมดหนูรู้แล้วหนูจัดการเองได้ถ้าเจ้าจัดการเองได้จริงเจ้าคงไม่ทําเรื่องแบบนี้ออกมาหรอกแม่หลิวไม่พูดอะไรอีกเพียงแต่สายหน้าอย่างไรค่าก็แนะนําให้เจ้าเอาเด็กในท้องออกเสียอย่าเกิดเข้ามาเลยหลิวเคอเคอร์เบิกตากว้างทันทีเอาออกหรือ แม่พูดออกมาได้ง่ายได้นักแต่นี่คือลูกของนางนะไม่เอาคะ่ะวันข้างหน้าจะต้องลําบากแน่ก็ค่อยๆทนรับไปเองแล้วกันลิวเคอเคอร์หนีมาที่บ้านเดิมเพราะอยากจะใช้ชีวิตให้สบายใจสักสองสาวันผลกลับกลายเป็นว่า น, นอกจากจะไม่สบายใจแล้วยังรําคาญใจยิ่งกว่าเดิมเขตบ้านพักทหารอาหารการกินในบ้านดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะหลีชิงผิงตั้งท้องเจ้าชุนฮาัวาคอยสรรหาของอร่อยมาทําให้ซ้ํากันในแต่ละวัน หิมะตกครั้งก่อนแค่ทำให้พื้นเปียกแต่หิมะรอบที่สองของฤดูหนาวนี้ตกติดต่อกันทั้งวันทั้งคืนพอตื่นเช้ามหิมะในลานบ้านก็หนาถึงครึ่งฟุตหลีหวันเกาะขอบหน้าต่างดวงตาเป็นประกายลมหายใจที่พ่นออกมาทำให้กระจกเป็นฝ้าไปหมดโรงเรียนประถมและมัธยมดูเหมือนจะประกาศหยุดเรียนชั่วคราวคนที่ดีใจที่สุดคงหนีไม่พ้นพวกเด็กๆหลังกินอาหารเช้าเสร็จก็ได้ยินเสียงเจี๊ยวจ้าข้างนอกหลีหวันวิ่งออกไปรองเท้าเหยียบลงบนหิมะเสียงดังกรอบแกรบฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายความเครียดได้ดีทีเดียวเอ๊ะ ที่มันมีอะไรน่าแปลกใจนักหนาเมื่อก่อนจะไม่เคยเห็นหิมะหรือไงเจ้งเศร้าสิงปั้นหิมะเป็นลูกกลมๆพางถามหลีหวานอย่างสงสัยลีวานตอบไปตามสัญชาตญาณไม่เคยเจ้งเศร้าเหิงแววตามหม่นลงลีวานเข้าไปเล่นกับพวกเขาอย่างรวดเร็วมือที่สัมผัสหิมะในตอนแรกนั้นเย็นเยียบแต่ไม่นานก็กลับมาร้อนเผามีหน้าเล่าหากเจอคนที่ที่ถูกหิมะกัดถึงต้องใช้หิมะถูตัวก่อนรองเท้ากับเสื้อผ้าต้องเปียกหมดแน่แน่ ลี่ชิงพิงยืนมองเด็กๆจากในบ้านมุมปากผุดรอยยิ้มอย่างช่วยไม่ได้เดี๋ยวต้องให้พวกเขารีบเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกออกแล้วเอาไปอังไฟข้างเตาเสียหน่อยเจ้าไม่ต้องกังวลหรอกถ้าเปียกเดี๋ยวพวกเขาก็เปลี่ยนเองแหละเจ้องอางวินชงไม่ได้ไปที่กรมเขาเอื้อมมือไปประคองหลี่ชิงพิงให้นั่งลงยืนานานๆไม่เหนื่อยหรือไงไม่เหนื่อรอกเข้าวันๆไม่ได้ทำงานอะไรเลยหนูจะเหนื่อยได้ยังไงในทางกลับกันลี่ชิงพิงรู้สึกไม่สบายตัวเพราะนอนบนเตียงนานเกินไป นางชอบเดินเล่นไปมามากกว่าช่วงท้องก็ควรพักผ่อนแบบนี้แหละห้ามทา ง, งานหนักเจ้าชุนฮาวากําลังออกแรงกวนเส้เนื้อแกะในกะละมังวันนี้มือเที่ยนจะทำซุปลูกชิ้นแกนางเหนื่อยจนเหนื่อท่วมหัวสาเหตุหลักคืออุณหภูมิในห้องสูงจนร้อนแม่ครับผมทําเองงานใช้แรงแบบนี้เหมาะกับพวกผู้ชายที่สุดเจ้าชุนฮาวาได้พักมือพลางถอนหายใจยาวตอนนี้ในบ้านมีเด็กสี่คนก็วุ่นวายพอแล้วปีหน้าช่วงเวลานี้ในบ้านคงจะคึกคักกว่าเดิมอีก เจ้าตัวเล็กในท้องชิงผิงคงจะวิ่งตามเรียกพี่ชายพี่สาวกระสนุกเชียวละ่ะเจ้างอาวินฉงเพิ่งจะได้เป็นพ่อคนครั้งแรกจึงยังไม่มีประสบการณ์มันไม่เหมือนกับการเลี้ยงหลานชายเขารู้สึกว่าตัวเองมีส่วนร่วมอย่างมากปีหน้าช่วงนี้จะพูดได้แล้วหรอครับก็น่าจะนะเด็กบางคนแปดเดือนก็พูดได้แล้วช้าสุดก็ขวบสองขวบเสี่ยหว่านตอนหัดพูดก็พูดเร็วนะพอขบหนึ่งก็พูดคําศัพทั่วไปได้ชัดเจนแล้วหลีชิงผิงยิ้มเด็กผู้หญิงมักจะพูดเร็วคะ่ะ เด็กผู้ชายจะพูดช้ากว่าทำไมแม่รู้สึกว่าท้องนี้จะเป็นลูกชายนะเจ้าชุนฮวารู้สึกว่าอาการของลูกสะพ้ยเหมือนคนได้ลูกชายแน่นอนว่าตอนนี้พูดอะไรก็ยังไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ถูกกำหนดไว้แล้วลูกสาวก็ดีครับเจ้องอางวินฉงเอ่ยผมอยากได้ลูกสาวอีกคนเจ้าอยากได้อะไรก็ได้งั้นหรือฝันหวานเชียวนะเจ้าชุนฮวาหัวรอเบาๆพูดแบบนั้นไม่ได้หรอก เจ้าเป็นพ่อจะมานึกรังเกียจลูกตัวเองได้ยังไงไม่ว่าจะลูกชายหรือลูกสาวก็ดีทั้งนั้นเจ้าอายุปู น, นี้แล้วเพิ่งจะได้เป็นพ่ออย่ามาเลือกมากนักเลยผมแค่บอกว่าเกิดเป็นลูกสาวจะดีกว่าแต่ลูกชายก็ไม่เลวครับลีชิงถิงคิดว่าฝันหวานของเจิ้งอวิ๋นฉงคงต้องสลายลงแน่ๆเพราะในท้องนี้น่าจะเป็นลูกชายสิบส่วนสําหรับลีชิงผิงแล้วอย่างไรเสียก็นับว่ามีทั้งลูกชายและลูกสาวครบถ้วน ขอเพียงแค่ลูกแข็งแรงปลอดภัยจะเป็นอย่างไรก็ได้ทั้งนั้นเจ้าก็นิสัยเหมือนตาแก่ น, นั่นแหละชอบลูกสาวไม่ชอบลูกชายเจ้าชุนฮาวาเอ่อยอย่างอารมณ์ดีทันใดนั้นก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้จึงเอ่ยเสริมออพี่ชัยเจ้าก็เป็นแบบนี้เหมือนกันพี่ใหญ่กับพี่สะพายความปรารถนาสูงสุดของทั้งคู่คือการมีลูกสาวแต่น่าเสียดายที่ยังไม่ทันได้มีลูกสาวทั้งสองก็มาเกิดอุบัติเหตุเสียก่อนแม่ครับไม่เป็นไรแม่แค่จู่จูก็นึกขึ้นมาได้ไม่มีอะไรหรอก เมืเจ้าชุนฮาวาเอ่ยถึงลูกชายคนโตที่จากไปก่อนวัยอันควรนางก็ยังอดไม่ได้ที่จะเสเตือนใจจนอยากจะร้องไห้ความจริงแล้วนางมักจะแอบร้องให้เงียบๆในยามค่ําคืนที่เงียบสงัดเรื่องนี้เป็นสิ่งที่นางไม่อาจปล่อยวางได้ตลอดชีวิตคุณยย้ครับรองเท้าเปียกหมดแล้วบ้านเรายังมีรองเท้าหนุ่มคู่ใหม่ให้ใส่ไหมครับของผมก็ด้วยพวกเด็กๆวิ่งเข้ามาในบ้านพอดีช่วยขัดจังหวะความโศกเศร้าของเจ้าชุนฮาวา นางจึงเปลี่ยนมาเป็นโมโหแทนทันทีในบ้านจะมีรองเท้าหนุ่มยิ่ยขนาดนั้นได้ยังไงเมื่อคืนพวกเจ้าก็ซนจนเหยียบเปียกไปคู่หนึ่งแล้วเพิ่อนจะเปลี่ยนคู่ใหม่ให้ก็เปียกอีกทุกคนนั่งลงให้หมดถ้ารองเท้าไม่แห้งห้ามใครออกไปข้างนอกทั้งนั้นเจ้าชุนฮวาดูอย่างไม่สบอารมณ์โตจนป่านนี้แล้วยังซนเป็นเด็กๆไปได้คุณเนี่ยครับนี่เป็นหิมะแรกของปีที่ตกหนักขนาดนี้เลยนะคนอื่นเขาออกไปเล่นกันหมดพวกเราก็ต้องออกไปเล่นด้วยสิครับ